หลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบพุทธพจน์ที่แสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมักเป็นปานิรูปของคาสอนให้พิจารณาสภาวาธรรมอย่างที่ได้ยกมาอ้างไว้แล้วข้างตน้นหากจะแสดงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นระบบก็เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนอย่างกว้างๆพุทธพจน์แนวนี้ที่นับว่าละเอียดที่สุด และพบบ่อยที่สุดก็คือคำสอนแสดงความก้าวหน้าในการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุตั้งแต่ออกบวชจนบรรลุอาสวะขยายานอีกแนวหนึ่งที่นับว่าใกล้เคียงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองบ้างพระสาวกแสดงบ้างเป็นครั้งคราวคือแนวจารณะ15และวิชาสาม นอกจากนี้ก็มีแต่ที่แสดงเพียงลำดับหัวข้อเป็นชุดชุดเช่นวิสุทธิเจ็ 7, วิสุทธิเก้าเป็นต้นการที่เป็นอย่างนี้สันนิษฐานได้ว่าแบบแผนและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติคงเป็นเรื่องที่ท่านทำและนำสืบๆกันมาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนวิธีที่อาจารย์สั่งสอนและฝึกหัดศึ์นอกจากนั้น รายละเอียดปลีกย่อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามกลวิธีของอาจารย์ต่างสำนักกันด้วยประเพณีปฏิบัติคงดาเนินมาเช่นนี้จนถึงยุคของพระอาทกตยาจารย์ท่านจึงได้นำเอาแบบแผนและรายละเอียดบางส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านั้นมาเรียบเรียงบันทึกไว้ในคัมภีร์ดังตัวอย่างที่เด่นคือในวิสุทธิมรร คำพีวิสุทธิมรักษ์นอกจากแสดงลำดับขั้นตอนและแบบแผนการฝึกด้านกิจกรรมภายนอกแล้วยังแสดงลำดับขั้นของความเจริญก้าวหน้าภายในคือการที่ปัญญาแก่กล้าขึ้นเป็นระดับระดับจนตรัสรู้อย่างที่เรียกลำดับญาณด้วยเขาโครงทั่วไปของการปฏิบัติท่านถือตามหลักการของไตรสิกขาและขยายออกตามแนววิสุทธิเ ส่วนขั้นตอนของความเจริญปัญญาภายในคือวิปาาัสนาญาณท่านขยายความจากเนื้อหาบางส่วนในคำภีปฏิสัมพิธามากในที่นี้จะแสดงระบบการปฏิบัติที่สรุปตามแนวของคำภีวิสุทธิมากนั้นซึ่งแสดงได้เป็นขั้นตอนเบื้องแรกพึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์สำคัญก่อน วิสุทธิแปลว่าความหมดจดคือความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นขั้นขั้ น, นหมายถึงธรรมะที่ชราระสัตว์ให้บริสุทธิ์ยังตรายสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นขั้นไปโดยลำดับจนบรรลุ จ, จุดหมายคือนิพพานจำแนกเป็นเจ็ดขั้นดังจะแสดงต่อไปปริญญาแปลว่า การกำหนดรู้หรือทำความรู้จักหมายถึงการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆโดยครบถ้วนหรือรอบด้านแบ่งเป็นสามขั้นคือหนึ่งาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักคือรู้ตามสภาวะลักษณะได้แก่รู้จักจำเพาะตัวของสิ่งนั้นตามสภาวะของมันเช่นรู้ว่านี้คือเวทนา เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะ ส, สวยอารมณ์นี้คือสัญญาสัญญาคือสิ่งที่มีลักษณะกำหนดได้หมายรู้ดังนี้เป็นต้นคือรู้ว่าคืออะไร 2. ติรณะณปรินยากำหนดรู้ขั้นพิจารณาคือรู้ด้วยปัญญาที่ยังลึกซึ้งไปถึงสามัญลักษณะ ได้แก่รู้ถึงการที่สิ่งนั้นๆเป็นไปตามกฎธรรมดาโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นว่าเวทนาและสัญญานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นในที่นี้คือรู้ว่าเป็นอย่างไร 3. ปรหาณะปริญญา กำหนดรู้ถึงขั้นละได้คือรู้ถึงขั้นที่ทำให้ถอนความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นๆได้ไม่เกิดความผูกพันหลงไหลทำให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ละนิจจสัญญาเป็นต้นในสิ่งนั้นนั้นได้ในที่นี้คือรู้ว่าจะทำอย่างไร ขอสรุปให้อีกทีนะครับยาติปริญญารู้ว่าคืออะไรติรณะปริญญารู้ว่าเป็นอย่างไรปหานะปริญญารู้ว่าจะทำอย่างไรวิปัสสนาญาณแปลว่ายานในวิปัสสนา หรือยานที่นับเข้าในวิปัสนาหรือยานที่จัดเป็นวิปัสนาได้แก่ความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกได้แบ่งเป็น9้าขั้นดังจะแสดงต่อไป